ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีประทุมในวันนี้จะพูดเรื่องปิยสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยสิ่งอันเป็นที่รักแล้วก็บุคคลอันเป็นที่รักค้ะหนึ่งพระเจ้าปเสนทิ่กศลได้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ประเชต ว, วัน หลังจากผ่านอานสนทนากันพอสมคูรแล้วก็ได้กราบทูลแสดงความคิดเห็นของพระองค์ว่าคนที่ทำทุจริตทางกายวาจาใจได้ชื่อว่าไม่รักตนถึง แ, แม้เขาจะกล่าวว่ารักตนก็ตามประคนที่ไม่รักใคร่ต่อกันอาจทำความชี้ภายให้ได้ชนใด คนที่ทำทุจริตก็อาจทำความหรือร้อนให้แก่ตนและคนอื่นได้ฉะนั้นแล้วท่านก็ขยายไปที่สุจริตเระส่วนคนที่ทำสุจริตทางกายวาจาใจชื่อว่ารักตนถึงแม้เขาจะกล่าวว่าเขาไม่รักตนก็ตามเพราะคนที่รักใคร่กันย่อมทำความเจริญให้แก่กันฉันใด คนสุดจริตทางไตรทวารก็อาจทำความเจริญให้แก่ตนคนอื่นฉะนั้นจนเหล่านั้นชื่อว่ารักตนประนนี้จะเห็นได้ว่าเป็นข้อเสนอแนะเป็นวิธีคิดระดับหนึ่งแล้วก็เป็นความถูกต้องก็เรียกว่าเป็นความถูกต้องระดับศีลธรรมจัญญาเพราะอะไรเพราะว่า ในความเป็นสังคมของมนุษย์เนี่ยคือในแง่ของความเป็นจริงเราจะเห็นว่าองค์มรรคข้อื่นจะเป็นองค์ประกอบเป็นตัวสนับสนุนแต่องค์มรรคหลักก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสมาชีวะเพราะว่าสังคมเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นในขณะเดียวกันก็ต้อง ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของตนเองให้เหมาะสมแก่สถานะนั้นๆแล้วก็ต้องมีอาชีพคือประกอบอาชีพในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวขอเพียงแต่เขามีความเห็นชอบสักระดับหนึ่งก็จะมีความรัิชอบติดตามมาการพยายามชอบการเลืกชอบหรือจิตใจที่ตั้งมั่นในทางที่ชอบ ก็จะเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็สามารถกํากับควบคุมพฤติกรรมของตัวเองเอาไว้แม้ถึงจะสร้างปัญหาแก่ตนเองและสร้างปัญหาแก่บุคคลอื่นซึ่งก็เป็นการอยู่ร่วมกันแบบสังคมมนุษย์เพราะว่าคุณธรรมที่เรียกว่าสุจริตหรือทุจริตเนี่ยแต่ทีท่จริงแล้วเราทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็ชื่อว่าไม่ได้ทําอีกอย่างหนึ่ง เส่นว่าเราทำความชั่วก็ชื่อวเราไม่ได้ทำความดีแต่ถ้าเราทาความดีเนี่ยนอกจากเราทำความดีแล้วเป็นการละความชั่วไปด้วยในตัวแน่นอนคนทำความชั่วก็ชื่อวไม่ได้ทำความดีแต่ว่าไม่ใช่เป็นทางที่ควรแกการเลือกเพราะประเด็นที่พระเจ้าปเสนทิ่กศลเสนอกราบทูลเสนอในที่นี้ แต่สายชนจะลองสังเกตว่าเราจะเจอธรรมะชุดนี้มากที่สุดจนอาจจะเรียกได้ว่าคือขาดไม่ได้เลยในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยวิธีชีวิตของมนุษย์มันเกียวกับสุจริทุจริตอยู่ตรงเนี้ยทางกายทางวาจาทางใจอยู่ตรงเนี้ยเพียงแต่ว่ามันหนักไปในด้านอะไรมากกว่าเท่านั้นเองข้ออุปมาเชี่บเคียงที่ทรงแสดงเนี่ย ว่าคนที่แม้จะกล่าวว่ารักตนแต่มีพฤติกรรมการกระทำในทางทุจริตซึ่งมีผลเป็นความทุกข์ความเลดร้อนเนี่ยมันก็เป็นการเบียดเบียนตัวเองแหละแต่ว่าการกระทำทุจริตเหล่านั้นพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะไปล่วงล้ำสิทธิซึ่งกเราเจออยู่อย่างเนี้ยทุกวัน สิทธิในชีวิตสิทธิในทรัพย์สินสิทธิในคู่ครองสิทธิในการรับฟังข้อมูลข่าวสารมันก็มีเรื่องใหญ่ใอยู่สข้อตรงนี้เพราะถ้าเขาไปประพฤติกระทําอย่างนั้นมันก็จะมีการโต้ตอบจากบุคคลอื่นแม้จะไม่มีการโต้ตอบเขาก็ต้องรับผิดชอบในความผิดตามตัวบทกฎหมายของบ้านเมืองหรืออาญาแผ่นดิน แน่นอนคนทุจริตบางครั้งบางคราวเขาก็หลุดรอดไปได้ลดผลหลายๆอย่างแต่เขาก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงผลแห่งกรรมได้เพราะผลแห่งกรรมนั้นไม่มีการตัดสินจากคนอื่นแต่จะมีการตัดสินจากกรรมเองอย่างที่ทรงแสดงว่าสโลเป็นไปทำกรรมกรรมเป็นจัวตัวจำแนกแบ่งแยกให้คนเลวและประนีแตกต่างกัน ความดีควมชั่วของคนจึงขึ้นอยู่กับการพูดการทำการคิดของคนในแต่ละขณะเราสามารถเป็นคนดีคนชั่วได้ในแต่ละขณะจิตเราคิดชั่วเราก็พูดชั่วก็ชั่วสองอย่างถ้าทำชั่วก็อาจจะพูดชั่วคิดชั่วแล้วก็ทำชั่วไปด้วยในขณะเดียวกันเราก็คิดดีทำดีพูดดีแต่ว่าลักษณะของมนุษย์ จึงเป็นสัตว์ที่มีเจ้าเล่ห์มายาเสแสร้สงโอโหดแข็งดีเขาอาจจะพูดอย่างหนึ่งเขาจะอาจจะทอย่างหนึ่งในขณะที่เขาคิดอีกอย่างหนึ่งได้เพราะเราจึงพบว่าธรรมะเหล่านี้จะมีการพยายามที่จะให้มนุษย์มันทวนกระแสะกิเลสเพราะถ้าเราทวนกระแสะกิเลสไม่ได้เนี่ยเลื่อนไหลไปตามกระแสะของกิเลส ในสุดเราก็จะสูญเสียการทรงตัวการดำรงอยู่ในสุจริตนั้นก็ดำรงอยู่ไม่ได้หรือดำรงอยู่ได้แต่ไม่ตลอดหรือตลอดแต่พอมีแรงกระแทกจากข้างนกรุนแรงเราก็อดก้านอดทนอะไรไว้ไม่ได้ผลละการสำคัญในข้อนี้ที่พระเจ้าประเสนิฐกศลได้กระทูลเสนอแด่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น หรือจะว่าเป็นข้อเสนอที่ยุติโดยเหตุผลก็ทำให้เราพบแนวพระพุทธภา ษ, ษิตอีกแนวหนึ่งคือเมื่อข้อเสนอมาถูกต้องเนี่ยอย่างที่เคยพูดในสาธุสูตรมีเทวดาหกตนได้แสดงความคิดเห็นของตนต่อเรื่องของการให้ทานมีความประนีขึ้นไปโดยลำดับลำดับลำดับมันก็จนถึงเป็นธรรมทานแล้ว พพเพระพระเจ้าจึงไปเปิดเลยไปจนถึงนิพพานบอกว่าทานเนี่ยคนก็สรรเสริญกันมากมากแล้วแต่ว่ามันมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่านั้นก็คือพระนิพพานจึงนแน่นอนก็ทานก็เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้บรรลุถึงนิพพานในส่วนหนึ่งแต่ว่าทานนั้นละได้ทั้งโลภะทุะมโมหะอย่างที่เคยบอกไว้ ทีนี้ปัญหาว่าสุจริตทุจริตคืออะไรคือไม่อื่นไปจาก ก, ก, ากุศลกรรมบทกับอกุศลกรรมบทในกรณีพวกแรกคือการประพฤติตนดำเนินชีวิตของตนไปบนเส้นทางของอกุศลคือความไม่ฉลาดความไม่ฉลาดก็คือความโง่เขลาเบาปัญญาต่างๆที่เป็นรูปอัจฉยกรรมทั้งหลายเนี่ย อาชีจจการตั้งแต่โลกมีมนุษย์มาเนี่ยมันก็ไม่อื่นไปจากเรื่องการละเมิดธรรมะด้วยความรุนแรงของกิเลสหมายความว่าเลื่อนไหลไปตามกระแสะกิเลสจนขาดการกำกับควบคุมตัวเองแล้วก็ไปประทุสร้ายคนอื่นในสี่สถานะดังกล่าวแต่ว่าโดยละทรงแสดงในกุศลกําบท ซึ่เราก็เจอบ่อยนะคือการบรรยายแนวระสูตรเนี่ยก็หมายความพระสูตรว่าอย่างไรคือยอย่างนั้นแหละเพงฟังอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันซ้ำกับวันก่อนก็ใช่ก็ซ้ำที่จริงธรรมะมันก็ซ้ำนะฮะมันเหมือนวิถีชีวิตของเราในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราก็ซ้ำๆอะ่ะเรียวกว่าเป็นซ้ำๆ ซ, ซากๆโดยซ้าไปเราอยู่ด้วยยบบท ต่างๆินเดินนั่ง น, นอนกินดื่มทาพูดคิดเป็นต้นแล้วก็ทเกี่ยกัชีวิตประจำวันของเราเนี่ยให้เราสังเกตว่าช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นยังไงช่วงเที่ยงเนี่เป็นยังไงช่วเงเย็นเป็นยังไงช่วงนอนเป็นยังไงมันก็ซ้าๆตื่นอนขึ้นมาเป็นยังไงก็ซ้าแล้วซ้าอีกยังไงเนี่ยแต่เราก็ยังมีปัญหาอยู่ทุกจุดเมื่อ วันที่วันอังคาร น, นะฮะวันอังคารที่สิบสิบแปดสิบเก้านะฮะสิบเก้ากันยายนก็เกิดหายใจขัดอย่างแรงแล้วก็แก้ไขไม่ได้ก็รีบโทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ส่งรถมารับโรงพยาบาลส่งไปถึงหมอก็ตรวจสอบฉุกเฉิน ก็รู้ว่าเป็นโรคหัวใจสั่งเข้าห้องไอซเลยแต่มาเป็นคน่า้ของวิเชยุทธ์คือวิเยุทธ์ก็ดูแลมานานแล้วยี่สิบกว่าปีละตอนเขารู้ว่าป่วยเขาก็เตรียมให้ไปที่น้นต่างสองโรงพยาบาลก็ประสานกันแล้วก็ตกลงว่าไปาก็เป็นนึกว่าแรงขนาดนั้นนหละพอหลังจะกตดวเสร็จ แล้วก็ทำบรลลูนแล้วก็ใส่ลวดอะไรเขาไม่ทราบเหมือนกันแต่สรุปว่ามีเส้นวินจัยตีบสองสามเส้นก็ผ่านพิธีกรรมต่างๆมาพอเสร็จเนี่ยหมอใหญ่เขาบอกว่าโอกาสตายนี่เก้าสิบโอกาสรอดอีกสิบหมายความว่าถ้าไม่รีบไปหาที่โรงพยาบาลก็ทาย ม, มองเห็นวนะ่า อ, อชีวิตเรานี่นะ มันไปยุ่งกับไอตัวสภาวะคือเกิดแก่จะตายเนี่ยมันยุ่งเยอะมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในช่วงเกิดถึงช่วงแก่เนี่ยไอไม่ใช่ถึงช่วงตายเนี่ยมันรสิ้นเปลืองไปเพราะบำบัดโรคเนี่ยมากเหลือเกินเพราะดีโรงพยาบาลเขาไม่คิด่ารักษา แต่ก็มีญาติญาติเข้าไปลองสอบถามดูว่าถ้าคิดเนี่ยมันสัเท่า่ก็ตกลงว่าแสนกว่าประมาณแสนห้ามันนึกก็เออเราเคยได้ยินเพลงเรื่องคนจนไม่มีสิทธิ์จะป่วยเนี่ยมันก็จริงทำให้ทาให้เห็นว่าการรักษาชีวิตใหม่หมมันสึ้นเปลืองนันเกแล้วในขณะเดียวกันคนกลุ่มหนึ่งก็ได้ประโยชน์ซึ่ง ต้องเกิดจากการจำยอมมาเป็นวความมันหมูขึ้นเขียงไปเลยแต่แล้วแต่เขาแล้วแต่เขาทำยังไงก็เรื่องของเขาแล้วเราไม่มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นอะไรเลยยินเพียงแต่ยินยอมหรือไม่ยินยอมเท่านั้นเองเพราะก็ทำให้เกิดความคิดมาคราวหนึ่งเนี่ยมันก็ที่จริงโรงพยาบาลเนี่ยมันตอนเศรษฐกิจ 40นะฮะเศรษฐกิจสุดตรงไปเนะี่ยแล้วไปที่โรงพยาบาลก็ดูเงาเงาลองสอบถามพยาบาลว่าเป็นไงคนไข้น้อยแหละบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีคนไม่ค่อยมาที่โรงพยาบาลกันเอาจากนั้นก็ไปที่วัดก็ปรากฏว่าศกน้อยเหมือนกันแต่ถามเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าตอนเนี้ยมีศพน้อยก็ทําให้กิจการไม่ดีก็ทําให้เราได้คิดนะว่เออในขนาดที่คนหนึ่งมันสูญเสียเยอะมากเลยสูญเสียทรัพย์สินเงินทองสูญเสียชีวิตสูญเสียอะไรเยอะคนกลุ่มหนึ่งก็ไปได้จากการสูญเสียของของคนกลุ่มหนึ่งทําให้เราเห็นว่ากระบวนการของชีวิตเนี่ยการได้ของเรามันมาจากการเสียของคนอื่น ยังไม่มีอะไรก็คือเสียของธรรมชาติธรรมชาติต้องสูญเสียต้องเสียสละให้เราอยู่แล้วธรรมชาติก็ถูกทํำลายไปชีวิตเราก็เลยก็อาศัยอาศัยพวกธรรมชาติเหล่านี้ยหมายความ่ามื่อถ้าธรรมชาติเกิดเป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาวันใดเราก็ตายตายหมดทุกธรรมชาติเลยนะให้ลองสังเกตเราขาดน้ําไม่ได้ขาดลมไม่ได้ขาดไฟไม่ได้ขาดอากาศไม่ได้ยิ่งขาดดินยิ่งไม่ได้ใหญ่เลย ลมหายใจแม้แต่ขาดไปหมอเคยบอกว่าประมาณหกนั่งชีก็ยากที่จะรอดแล้วนี่ก็แสดงให้เห็นว่าชีวิตเนี่ยมันมีปัญหาที่จะต้องดูแลรักษาเยอะมากแต่ว่าที่จริงเกิดแก่ตายเนี่ยมันเป็นสภาวธรรม เราเกิดมาแล้วเราก็ต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายเราต้องพลาดพลา ด, ด, ดสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดาเปลี่ยนว่าธรรมดาก็คือธรรมดามาเมืม่มมอเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็พยายามที่จะดูแลรักษาร่างกายเอาไว้แต่นั้นเองก็ตายแน่อยู่แล้วแต่ว่าประเด็นสําคัญว่าตายอย่างคนดีตายหรือตายอย่างคนชั่วตายเนี่เป็นเรื่องสําคัญมากกว่า ก็เด็กๆเข้าไปก็สิบถามพยาบาลว่าทำไมไม่เก็บค่ารักษาเขาขึ้นฤทธิ์ไว้นะจริงๆอามาเนี่ยเขาขึ้นฤทธิ์ไว้แต่ว่าเมื่อก่อน ก, ก็เสียแต่ทีหลังเนี่ยเขาก็โรงพยาบาลก็จ่ายเองโดยเงินของมูลนิชิภิกษุผู้อาพาธ แต่ว่าไม่ใช่ตรูปหรอกก็แล้วแต่อยู่ที่บัญชีที่ก็ขึ้นเอาไปก็อบอกว่าพระอะไรที่ทำประโยชน์แก่พระาศาสนาม า, มากๆเนี่ยโรงพยาบาลจะอุปธรรมจึงกระซาบารงบาลเอกชนมีอยู่หลายแห่งที่มีการรักษาคนป่วยโดยเฉพาะพระป่วยในลักษณะนี้ดังนั้นทำให้เราเห็นอีกอย่างหนึ่งว่าความดีเนี่ยมัน บางทีมันเกิดเป็นคุณค่านะเป็นคุณค่าทางความรู้สึกของคนอื่นด้วยแล้วก็เป็นคุณค่าให้แก่ชีวิตเราด้วยพระจีวิเราจริงๆมันก็อยู่ที่อยู่ดีหรืออยู่ไม่ดีแต่นั่นเองก็หมายความมาสุจริตทุจริตแนั่นเองเขาเรียกชีวิตประเภทประเภททุติยริเขาเรียกว่าทุกขโตคือมาอย่าง ทุ่นี่แปลว่าชั่วยากนะคือทั่วชั่วก็ได้ยากก็ได้มาอย่างคนชั่วแล้วก็จะไปสู่สถานที่ชั่วคือที่ไม่ดีเรียกว่าทุกติคนดีนี่เขาเรียกว่าสุกตคือมาดีมางามแล้วก็มาง่ายคือคนมีบุญเนี่ยที่จริงเกิดสุกติง่ายมันก็ใกล้ๆกับว่า คนเป็นเศรษฐีเนี่ยจะกินอะไรจะไปที่ไหนจะทําอะไรเนี่ยได้ไง่ายปัญญุ้งก็จะมีลักษณะอย่างนั้นตรงนี้จึงถือเป็นเรื่องบุญแล้วก็บาปใหญ่แล้วเป็นบุญบาปสากลหมายความว่าเราไปศึกษาจากศาสนาไหนก็ได้นะฮะและถ้าเราสาวให้ลึกเลยเราจะเจอเลยเจอพวกเนี้ยไม่มีอื่นไปจากนี้ไม่ว่าจะหาที่ไหนก็ตาม มันก็คือทุจริตทางกายทางวิจารใจนั่นแหละคือถ้าไม่ดีมันก็ทุจริตทางกายทางวาจาร ใ, ใจเกิดจากใจก่อนใจมันคิดก่อนแต่ใจก็ทําและปากก็พูดออกไปตามที่ใจคิดให้ทําให้พูดแต่ก็บางครั้งบางคราวเนี่ยเกิดเราจะเห็นว่าไอ้ที่ออกทางกายทางวาจามันดีแต่ว่าที่ใจคิดมันไม่ดีนั่นก็คือแนวของการบงการของกิเลสประเภทที่เรียกว่าอุปกิเลสดังกล่าว เนื่องจากเราผ่านเรื่องกุศลกรหมดมาไม่นานนะนะรู้สึกว่าต้นเดือนกันยาเนี่ยก็เคยผ่านตอนวันจันทร์ที่เอามาออกแกโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าทางผู้อนวยการทางรัตติกิภูมิเนี่ยเขาเห็นว่าไม่ควรไปออกเพราะว่าร่างกายยังต้องพักฟื้น เขาก็ใช้เทปออกไปพระดีมาก็เปิดฟังเพื่อจะสวจสอบรายการก็เห็นว่าเป็นเรื่องให้ความเข้าใจและก็รายละเอียดที่เกี่ยวกับกุศลกับบทกุศลกับบทแต่เรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องั้าซากเป็นเรื่องเกิดทุกวันเกิดทุกขณะได้ทั้งไป พอเราไปดูสถิติต่างๆเนี่ย ม, มันมันไม่น่าเชื่อนะโลกเนี่ยในโลกคนค่าตัวตายปีละหนึ่งล้านคนทุกๆ2กสองชั่วโมง่าตัวตายหนึ่งคนแล้วที่แปลกพิสดารมากก็คือว่าผู้ชายค่าตัวตายมากกว่าผู้หญิงาทางที่ดูแล้วผู้หญิงน่าจะอ่อนแอกว่าแต่เอาก็จริงปรากฏว่าผู้ชายค่าตัวตายมากกว่าผู้หญิง เราก็แสดงให้เห็นว่าในความคิดที่ทุจริตเนี่ยทําลายตัวเองยังฆ่าตัวตายขณะฆ่าตัวตายก็โดยความคิดที่มันทุจริตเพราะถ้าเราเข้าใจคิดแล้วเนี่ยชีวิตเราที่จริงไม่ใช่เป็นของเราคนเดียวนะฮะโดยเฉพาะยิ่งคือการประพฤติปฏิบัติยไม่ผูกพันเชื่อมโยงกับคนอื่อ มีบวกมีลบกับคนอื่นตลอดแล้วบางครั้งรุนแรงน่รุนแรงจนถึงระดับประเทศระดับชาติระดับภูมิภาคแล้วก็เดือดร้อนวุ่นวายกันทึนเราก็มีให้ฟังเป็นข่าวทุกวันเพียงแต่ว่าติดตามหรือไม่ติดตามเท่านั้นเองคือติดตามก็เท่านั้นแหละไม่ติดตามก็เท่านั้นแหละเพราะว่านีธรรมดามคนชั่วก็เป็นอย่นั้นแหละ และธรรมดาของคนดีก็เป็นอย่างนี้แหละนะเพราะงั้นที่พระเจ้าประเส ร, ริฐนิโคสลกล่าวทูลแสดงความคิดความเห็นว่ามันไม่อยู่ที่การพูดว่ารักตนหรือไม่รักตนแม้จะพูดว่ารักตนถ้าทำชั่วก็ชื่อว่ไม่รักตนแม้จะพูดว่าไม่รักตนแต่ถ้าทำดีก็ชื่อว่ารักตนเพราะเห็นไหยว่าการการะทาทั้งหมดมันไม่อยู่ที่พูดมันอยู่ที่ทำ มันอยู่ที่การประพฤติอยู่ที่การปฏิบัติของบุคคลหล่า น, นั้นเพราะทุจริตทางกายก็คือประทุษรายต่อชีวิตประทุษรายต่อทรัพย์ล่วงละเมิดในทางเพศก็เท่านี้แล้วนะฮะแต่ว่ารายละเอียดที่จริงเยอะแต่ละเรื่องเนี่ยคือถ้าเรามองเป็นเชื่อมโยงเป็นรูปคล้ายๆกับตะข่ายนะฮะอย่างตมาเคยเป็นวิจยากรอบรมผู้พักษา นานหลายปีต่อเนื่องกันตอนนั้นลูกศิษย์เขาเป็นผู้อำนวยการตาตาบันพัฒนาตวราการแล้วก็นิมนต์ไปแล้วพูดเรื่องเดียวพูดเรื่องเรื่องอาคติคือเว้นจากอากติแต่เราขยายความคิดระดับอาคติอดุ ว่ามันไหลมันก็ น, น้ําไหลอ่ะไหลไปเรื่อยแล้วก็ซึมแล้วก็กระจายไปตามอะไรก็ตามพอลุ่มน่ยมันแทร ก, กไปแทร ก, กไปแทรกเข้าไปแทร ก, กไปแทร ก, กไปปัญหาที่มันเกิดเป็นปัญหามันไม่อื่นมาจากพวกกิเลสเหล่านี้หรอกเพราะนคติในพระเจ้าทรงแสดงไว้สี่ข้อเท่านั้นไม่เคยมีข้อที่ห้าเพราะอะไรเพราะมันหมดแล้ว พฤติกรรมของมนุษย์ในทางที่ไม่ยุติโดยเหตุผลและความดีนั้นก็อยู่ที่อคติและมันก็แรงขนาดไหนเช่นลำเอียงเพราะไม่ชอบกันไม่เกิดจะความคิดที่ลำเอียงแต่ว่ากำกับควบคุมความคิดไม่ได้มันก็ออกมาในรูปของการปรัส้ายะอาจะถูกกำกับด้วยโลภะก็ได้ราคะก็ได้โทสะ ก, ก็ได้ใน ต, ตอนนั้น หมายความกำกับสูงเนื่องนะฮะคือคืออคตินี่มันมันเป็นระดับความคิดแต่พอทอาออกไปนะมันจะทุจริตเป็นการประทุษรายต่อชีวิตประทุษรายต่อทรัาย์ลงละเมิดใทางเพศแล้วก็พูดเท็จพูดโสเสียพูดกำหยาพูดเหลีวไหลทําไมละ่ะเพราะใจมันโลภอยากได้ของอคนอื่นพระใจมันโกรธมีจนถึงอาฆาตพยาบาทบุคคลอื่น แล้วที่สําคัญสุดๆคือเรื่องเดียวนะฮะ่จริงเรื่องเดียวแต่นั้นเองเพราะว่าเห็นผิดจากทํานองครองธรรมคนเราถ้ามีความชัดเจนเรื่องทํานองครองธรรมอะไรควรเว้นอะไรควรมาพรึ่งอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยอะไรไปทางเสื่อมทางเจริญเนี่ยเขาไวจับได้สักชุดนะมันเชื่อมโยงไงเป็นภาษาที่พยายามจะขยายเฉย ที่จึงมมาจากดีช่วนั่นแหละแล้วก็มาจากกุศล อ, อกุศลแล้วก็มาจากกิเลสกับธรรมะถ้าเราเรียกอย่างนี้หมายความกิเลสก็คือ อ, อกุศลธรรมะก็คือฝ่ายกุศลทั้งหมดต้องมาจากนั้นนหะพวกนี้เกิดขึ้นปรุงจิตสร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในจิตก่อนจิตเราไม่ได้โลภตลอดยี่บี่ชั่วโมงไม่ได้โกรธตลอดยี่บสี่ชั่วโมงไม่ได้เห็นผิดตลอดยี่บสี่ชั่วโมง มันขึ้นอยู่กับเรื่องของกรณีนั้นๆกรณีคนสัมผัสแต่ละขณะของอารมณ์บางอย่างเราไม่ได้โลภอะไรบางอย่างไม่โกรธอะไรบางอย่างก็เข้าใจมีความชัดเจนก็แสดงว่าจิตมันก็พลิกไปอีกด้านหนึ่งคือด้านกุศลพวกเราเนี้ที่ที่พระเจ้าประเสริฐกุศลรับสัางเนี่ยเราก็อาจจะพูดเราเข้าไม่รักตน แต่เขาพูดว่าไม่รักตนหรือว่ารักตนนี่ไม่ไม่ได้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นว่าถ้าเขาประพฤติสุดจริตทางกายทางวาจ า, จาใจแล้วแม้จะพูดว่าไม่รักตนก็ชื่อว่ารักตนแต่ประเด็นที่ ท, ที่ที่น่าคิดน่ะคือว่าตามปกติแล้วในหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ค่อยมีการสอนเรื่องคำว่าความรักเพราะคำความรักเนี่ยมันมันมกเยอไดยราค่ะ มันมีความเสี่ยงสูงคือหมายความมันจะเวียงไปที่โทสะมันจะเวียงได้ง่ายเพราะความรักมันมุ่งบำบัดตอบสนองความต้องการของผู้ที่รักไม่ใช่คนที่เรารักหมายความมาต้องการตอบสนองความต้องการของเราเนี่ยเรารักคนเนี้ยให้คนนี้ตอบสนองความต้องการของเราถ้าไม่ตอบสนองความต้องการก็จะเกิดโทสะคือมันง่าย แต่ว่าระดับสังคมในเราพูดขนาดนี้ก่อนเถอะผู้ระดับรักกันได้ก่อนรักกันฉันญาติพี่น้องฉันเพื่อนฉันพ่อฉันแม่ฉันสามีพันยาฉันครูบาอาจารย์กสิทธ์ต่างๆเนี่ยอย่างวิธีมองในสมัยโบราณแต่มายังนึกว่าคนโบราณนี่เก่งเนาะเขาคิดแต่อะไรลึกซึ้งมากก็คิดง่าย แต่ว่ามันเป็นรูปธรรมที่สัมผัสแล้วอบอูนมองผู้ชายมองผู้หญิงรุ่นรุ่นที่แก่กว่าตนเน่ยเหมือนกับพี่เป็นต้นไปรุ่นเสมอตนเหมือนกับเพื่อนรุ่นตามกว่าตนเนี่ยอายุนะคิดอายุกันอายุน้อยกว่าตนก็คือน้องมันมีญาติอย่างนั้นเลยไปทําอะไรไม่ได้ไปลูกแล้วเมื่อทางเพศไปอะไรไม่ได้ไป น, นี้คือคือคือระบบการคิดของคนสมัยนั้น แต่ในสมัยนี้ที่เขาเรียกพี่เรียกน้องเรียกอะไรกันนะแต่ว่ามันทำไมจึงมีปัญหาเรื่องชู้สาวเยอะเหลือเกินก็ไม่รู้เหมือนกันสมัยนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของความคิดคิดถึงพัญญาคนอื่นเหมือนกับมารดาตนเองเอาขนาดนั้นเลยนะฮะทางทมเนียมจีนก็มีน ะ, ะอินเดียก็มีเป็นความคิดละเมีมยดละไมเพราะอะไรเพราะนั้นคือเป็นการกากับควบคุมความโลภความโกรธ แล้วความลงไว้เป็นไว้ได้ผลพฤติกรรมมันก็ออกมาในรูปของการงดเว้นนะฮพวกนี้พูดระดับงดเว้นไม่ได้พูดระดับปฏิบัติแต่ที่จริงเนี่ยมันก็คือปฏิบัตินะเดะ๋ยวออาระดับงดเว้นเพราะเป็นผูรน้ระดับศีลระดับศีลธรรมนะฮะระดับศีลธรรมจรญยาแต่ว่าเมื่อเราไม่ละเมิดสิทธิในชีวิตทรัพย์สินขู้ครครองคนอื่นเราก็ต้องมีเมตตาอย่างน้อยเราก็ต้องมีรักนะฮะ มีความรักต่อคนหล่อนนั้นฉันญาต์ดังทีแล้วเนี่ยฉันญาต์ฉันมิตรดังที่ว่าเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราไม่ไปล่วงระเบิดสิทธิในชีวิตทรัพย์สินคูครองของเขาไม่โกหกไม่ยุยงให้เกิดความแตกแยกไม่กล่าวคำหยาบคายรรยกาศแล้วก็ไม่พูดเพื่อเจเริญไหลถึงท่านูู้ที่ใจจะชัดนะใจจะไม่โลภอยากได้ของของเขา ใจจะไม่โกรธหรืออาฆาตพยาบาทต่อเขาเพราะใจเห็นชอบธรมรมธามนองคองมธรรมกลัวบาปอย่างเดียวก็ได้เดยอะแล้วนะฮะนี้ก็คือก็คือเราจะเห็นว่าพระเจ้าปเสนิโกศลเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจะนานหรือช้าเนี่ยเราไม่รู้เพราะว่าพระบาลีจะใช้คำว่าเอวมเมสุตั นะข้าเจ้าได้สลับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีภาะเจ้าสเสด็จประทับอยู่ที่ประเชศตะวันนะพระเจ้าประสิทอันเป็นนารามของนาธบินดิกาเศรษฐีในเมืองสาวัตถีพระเจ้าประสิทนิโกศลผู้เป็นราชาแห่งแควนโกศนะก็สเสด็จข่าเฝ้าว่ า, ว, ว, าว่าไปเพราะเราไม่รู้อะไรก่อนอะไรหลังแต่ว่าท่านเข้าพระไถ่ในธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงได้อย่างลึกซึ้งคือคือคิดโดยสรุป ง, ง่ายๆที่เดียว มันอยู่ที่รักตนหรือไม่รักตนถ้ารักตนจริงก็จะไม่ประทุษร้ายตนเองถ้าประทุษร้ายตนเองแม้เธอพูดว่ารักเธอก็ไม่ได้รักจริงประเด็มันก็ง่ายๆอย่างเงีย้ยเพราะฉะนั้นเราจะจ ะ, จะเห็นว่าพระเจ้าทรงยอมรับทุกข้อความที่พระเจ้าประเสริฐโยโกสลกราบทูลแล้วก็ทรงกล่าวเป็นพระพุทธภาษิตในตอนท้ายแห่งพระสูตรว่า ถ้าบุคคลพึงรู้ว่าตนเป็นทิรักษ์ไม่พึงประกอบด้วยบาปเพราะว่าความสุขนั้นไม่เป็นผลที่คนผู้ทาชั่วจะได้โดยง่ายนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าความสุขมันสุขใจเป็นผู้เสวยมันไม่จะกายเป็นผู้เสวยคนเราทาชั่วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันก็ไม่สบายใจ เขาเรียกวิปปัิสานใจคือเดือดร้อนใจมีความหวาดระแวงมีความวิตกกังวลมีความเครียดอะไรต่างๆแม้แต่ในหมู่โจรก็เถอะที่จริงก็หวาดระแวงเอาให้เป็นซ่องโจรเนี่ยมันก็หวาดระแวงนะมีการรักขามีการป้องกันมีการวิตกกังวลมีความกลัวถ้าถาม่าเพราะอะไร เพราะมีความชั่วที่ต้องปกปิดมีความชั่วที่เป็นการผิดกฎหมายแล้วก็ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายนั้นอาจจะหนีรอดไปได้แต่ผิดศีลธรรมนี่เป็นกฎของสกลนะเป็นกฎธรรมชาติก็ธรรมชาติเนี่ยรบๆเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ที่พระเจ้าทรงอุปมาณเนี่ย น, นชัดมากครับ ว่าเหมือนบุคคลปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งลงไปบนพื้นดินแล้วเขาย่อมได้รับผลของพืชชนิดนั้นคนทำความดีจะรับผลดีคนทำความชั่วจะรับผลชั่วอันนี้เป็นสูตรแต่ก็มีเยอะนะคนไม่เชื่อคนที่มีความรู้สึกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปคือคือกระแสะสังคม ในเวลานี้นะะคนบางกลุ่มเรานึกว่าเออมันสะสมไว้หิงสาพยาบาทไว้เยอะมากๆเลยคือเราพูดถึงความบริสุทธิยุติธรรมต่างๆกันเรียกร้องความบริสุทธิยุติธรรมแต่เราก็ไม่รู้ว่าความบริสุทธิยุติธรรมนั้นจะต้องเสมอภาคกันหมายความว่าจะชี้ผิดก็เพราะเขาทำผิด มันไม่ใช่ว่าเราจะป้ายเสียเ็าทำผิดแล้วให้ผิดซึ่งวิธีการนี้มันก็ได้แบบอะไรล่ะม้าป่ากรบรูปแกะที่เขาเล่าในในฐานิสบดเพราะนคนคนเราต้องนึกต้องนึกถึงตัวสอบตัวเองเนะหลักการในพุทธศาสนาเนี่ยพระเจ้าทรงสอนในสิบข้อเลยให้พระพิจารณา บันประชิดควรพิจารณาหนึ่งเืองว่าวันคือล่งไปล่งไปถามใจตัวเองดูซีทำอะไรบ้างที่มันผ่านไปนะหายใจทิ้งห้ใจขว้างไปหรือเปล่าถามว่าเราทำอะไรอยู่สิ่งที่ทำนั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปเพราะเรามาด้วยบุญบาปเราอยู่ด้วยบุญบาปเราจากไปด้วยบุญบาปแน่นอนและเราก็ไม่บุญร้อยเอร์เซ แต่ว่าทำอย่างนีให้เปอร์เซ็นต์มันเลยบาปไปสลายบาปลดความเข้มข้นของบาปลงไปเพราะงั้นเมื่อเราทําไปแล้วนี่เราไปเศษผลไม่ได้พระเจ้าประเสริฐนิโกสลท่านพูดท่านพูดแบบชาวบ้านนะให้รายละเอียดยาวแต่พระเจ้าก็สรุปคือภาสิทธิ์เนี่ยไม่ต้องยาวนะพูดพูดโดยสรุปแต่ครอบคลุมประเด็นทั้งหมดของพระเจ้าประเสริฐนิโกศล แต่ว่าอะไรล่ะคือพระเจ้าประเสริฐกุศลพูดเฉพาะผลที่เป็นทิฏฐธรรมคือผลที่เห็นในปัจจุบันแต่พระเจ้าทรงเชื่อเห็นว่าผลเหล่าเนี้ยไม่ใช่อยู่เฉพาะปัจจุบันเท่านั้นแต่หมายถึงชาติต่อๆไปด้วยพระบาปและบุญมันจะติดตามเราไปเหมือนเงาที่ติดตามเราไปทุกคนทุกแห่งอยู่กับเราทุกคนทุกแห่งเราเห็นหรือไม่เห็นนั้นมันขึ้นอยู่กับ สภาพของพื้นที่พอถ้าเราอยู่ในที่สว่างเราก็เห็นเงาเราแต่เราอยู่ในที่มืดเราก็จะไม่เห็นเผลคนใจบ้าก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือไม่สามารถเชื่อมโยงผลที่เกิดขึ้นในชีวิตตนวันมาจากเหตุถ้าเราเชื่อมโยงได้เนี่ยอย่างในกรณีกาตามาแบบนี้อย่างนึกถึงตัวเองว่าคงจะอยู่อีกไม่นานน่ะ พอมันครบครก็ได้ใส่ภาคีเนี่ยเบาหวานความดันแล้วก็หัวใจครบชุดเลยราก็มองถึงว่าเราเคยทำบาปทำกรรมอะไรเอาไวนะ้นชาติปัจจุบันเราก็ไม่รู้นะฮะแต่ชาติก่อนนี่ต้องทำแน่เพราะว่าพวกนี้มันเป็นกรรมมัชรูปคือกรรมที่มาสร้างเป็นรูปส่วนหนึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นมาจากการใช้ชีวิต คีอค่อนข้างจะสมุขสมบัติคือหนักเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่บวชมาห้าสิบกว่าปีเนี่ยามาตั้งใจเด็ดเดี่ยวนะคือไม่มีคำว่าไปเที่ยวที่ใดที่หนึ่งเราจะต้องตอบคำถามได้ว่าไปแล้วสถานที่นั้นได้ประโยชน์อะไรจากการไปของเราถ้าไม่งั้นเราไม่ไป แม้แต่ ก, กิจกรรมในทางคณะสงฆ์บางทีไปประชุมอะไรกันแล้วก็ไปนั่งฟังเฉยๆหรือว่าเรื่องไม่ค่อยได้เรื่องอะไรเท่าไรที่ไม่ไปอะแต่ประชุมก็ประชุมกันไปเราก็มีงานทำของเราแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่หมอบอกเนี่ว่าทํางา น, นหนั ก, กเกินไปคือโอกาสพักมันก็น้อยจริงอแหละคือถ้าเราเราไปดูเออเราก็จักจะนอนน้อยไปจริงพอเขามาพูดอะไรเท่าไรก็เออก็จริง ส่วนหนึ่งมันก็เป็นวิบากกรรมนะเป็นวิบากกรรมที่เราจะต้องต้องยอมรับว่าอยู่เท่าไรก็อยู่แต่ว่าจากใดที่เรายัางสามารถปฏิบัติภารกิจได้เราก็ทำงานต่อไปแล้วก็ไม่ประวาติเพิ่มขึ้นก็เพื่อจะใช้ชีวิตแต่มันเป็นประโยชน์แก่ตนเองและแก่พระพุทธศาสนาเนต็มตางกำลังที่เราสามารถจะทำได้นะ แล้วก็พระเจ้าก็ทรงแสดงในช่วงต่อไปให้เห็นว่าเมื่อบุคคลผู้ถูกบรณะครอบงามล้าทิ้งพบมนุษย์ไปอยู่ก็อะไรเป็นสมบัติของเขาและเขาย่อมพาเอาอะไรไปได้อั น, นึงอะไรเล่าติดตามเขาไปบรรลเงาติดตามตนไปฉะนั้นนิรุระเจ้าตั้งประเด็นของคำถามแล้วก็ท่งชี้แจงให้พระเจ้าพระเศ น, นีกุศลได้ทรงทราบว่า ท่านเรียกมัดโจนะฮะคือทงใช้ตัวนี้มัดโจแปลว่าผู้เกิดมาแล้วต้องตายอะบางทีเร า, เาไปเรียกว่ามัตจุราชคือมัจติราชนั้นคือผู้ทําลายแต่นี้เราเกิดมาเราก็เป็นมัดโจคือเรียกจริงๆว่าผู้เกิดมาเพื่อจะตายมันเกิดมากี่คนก็ตายท่านั้นถ้าคนมองให้เห็นว่าชีวิตข้างหน้านี่มันสั้นนะจะเอาอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้ ทำไมเบียดบเบียนประทุษรายกันทำไมข็นค่าทําลายล้างกันแย่งอะไรกันมันไม่มีอะไรให้แย่งเพราะในที่สุดเราก็ทิ้งทุกอย่างไปแม้สั้งขาท่างกายนะฮะอย่างวันที่เขาใส่ไอ้อะไร ท, ที่ที่หัวใจนะฮะบรลูนที่หัวใจครับเส้นดวดเนี่ยที่จริงเวลามันก็ประมาณทักงชั่วโมง แต่เราก็ก็รู้สึกเหมือนกับเหมือนกับหมูขึ้นเขียงอ่ะก็แล้วแต่จะเป็นอะไรไปแต่็นชีวิตกับความตายมันก็ใกล้กันนิดเดียวแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจแก่ตัวเองเนี่ยคนทุกคนจึงต้องยึดมั่นในความดีทรักตัวเราต้องเข้าใจว่าพูดโดยรวมๆแบบสมมติสัจจะว่าตัวเราไม่ได้ตายจริง แต่สมมติว่าตายแล้วก็ตายแล้วเราก็ต้องเกิดอีกตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายปั๊บเกิดปุ๊บตายปั๊บเกิดปุ๊บตายปั๊บเกิดปุ๊บเลยเกิดเป็นอะไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเมื่ก่อนได้อ่านหนังสือของมารุจไรศรีปฐุมแต่เขาฉลองพระพุทธรูปปูชาก็มีท่านเจรันท่านเล่าเรื่องคนตายที่บ้านงท่าน กิราเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่เทวดาแล้วนะมันเป็นพวกเปรตกับพวกอสุรกายนะจะเป็นพวกอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่สรุปว่ามันมันไม่ใช่นรกไม่ใช่มันไม่ใช่สวรรค์แต่ว่าเป็นอยู่ในกลุ่มเปรตกับอสุรกายนี่แหละถึงถึงจะต้องคุยในรายละเอียดศึกษาในรายละเอียดแต่ก็สรุปว่ากรรมมันก็ตามไปให้ผล คนทั้งคู่ในผูกกระไดด้วยกันแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันแล้วก็เขาบอกทูกบังข้ไปขุดถนนแต่ก็ไม่มีถนนคือก็ไม่เห็นตรงนั้นว่ามีถนนแต่แกบอกแกขุดเห็นว่าโลกมิติซ้อนโลกนะโลกมันมีมิติที่ซ้อนกันอยู่ในขณะที่คนเป็นอันมากก็เห็นเราแต่เราไม่เห็นเขาเห็นที่คนโบราณก็เชื่อในที่ยังถูกต้องคนไม่เห็นผีสางเทวดากด็เห็น ันผีสางพวกเทวดาพวกอารักษ์เทวดาภูมิเทวดาะอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็รู้เห็นการกระทำของเราเพื่องไรเขาบอกเราไม่ได้ดังนั้นพระเจ้า จ, จึงรับสั่งว่าผู้ที่มาเกิดแล้วจำจะต้องตายไปในโลกนี้ย่อมทำกรรมัใดไว้คือเป็นบุญและบาปทั้งสองประการบุญและแบาปนั้นแลเป็นสมบัติของเขา แล้วเขาจะพาเอาบุญบาปนั้นสู่ประโลกอันหนึ่งบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเขาไปบรุษุเงาที่ติดตามบุคคลนั้นไปฉะนั้นนี่คือสภาพความจริงที่ทรงสะท้อนให้ดูถ้าท่านผู้ฟังได้อ่านเรื่องพระธรรมบทนะโดยเฉพาะในพระบาลีเนี่ยเป็นคาถาล้วนๆพระไตรปิฎกเล่มยีพ่านะฮะ ที่ขึ้นต้นในมโนปูังกามาธรรมาเนตอนแรกเนี่ยพูดเรื่องบาปติดตามแต่ว่าเรื่องที่สองเรื่องมัฏฐกุณฑลีเนี่ยพูดเรื่องบุญติดตามพระมัฏฐกุณฑลีทำจิตใเลื่อนใสในพระพุทธเจ้าแล้วตายปั๊บบังเกิดเป็นเทวดาปุ๊บเลยทั้งทั้ที่ไม่เคยทำความดีอะไรมาเลยก็ทำจิตใเลื่อนใสในพระพุทธเจ้าทอนนั้นเด็กเพราะงั้นอันนี้คือคือหลักความจริงเป็นการแสดงเป็นการชี้บอกว่าความจริงของโลกของชีวิตก็เป็นอย่างนี้ แต่คุณเลือกเอาคือจะเอาอย่างไงก็เลือกเอาแล้วก็ตอนต่อไปรัตสังว่าเพราะฉะนั้นบุคคลพึ่งทํากัลยาณกรรมสะสมไว้เป็นสมบัติในปารโลกประบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปารโลกนี่ก็เป็นข้อความที่เป็นพระพุทธดํารัสแต่ว่าเรื่องเหล่านี้มีนัยยะที่ควรจะทําความเข้าใจให้ลึกซึ้งมากกว่านี้นะครับเพราะว่า ปัญหาการรังเกียจบุญแล้วก็พอใจในบาปเนี่ยมันมันกระจายครอบงาสังคมจนหน้าวิตกกังวลคือบางครั้งบางคราวเนี่ยก็ต้องตรุงนะะเพราะว่ากษัตริย์โลกก็เป็นไปทํากรรมกันแล้กันพอเราก็าไปแก้ไขอะไรไม่ได้มีปัญหาเป็นมากที่คนมาประรบมาเล่าเบราจะแก้ไขอะไรเราไม่มีอำนาจ ไ, ไม่มีหน้าที่ไม่มีตําแหน่งแล้วเขาก็ไม่รู้จักมกกักจีอะไรกับเรา เราก็ไม่รู้จะไปพูดเขาได้ยังไงอ่ะมันก็สัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมกันแล้แกันแหละแต่ท้งคือหนึ่งเราก็ต้องปรงนะหมายความถ้าเราทําใจเป็นอุเบกขาไม่ได้ในสภาพสังคมปัจจุบันเนี่ยมันจะเกิดสภาพที่เราเรียกว่าเครียดอ่ะจนอะไรสับสมัยไปก็เรียกวสีเครียดคือสีเรียกก็เครียดเนี่ยมากลายเป็นสีเครียดต้องฟังอะไรเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ได้วเวลาเป็นเทนี ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณ์ธนธรรจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี